ครับอาจารหลวงตาครับเพิ่งมาถึงตึงเหนื่อยอยู่เลยครับคับที่แล้วหลวงตาแนะนําแนะนําให้อฝึกดูจิตนะครับก็คือไม่ดูดไม่ผักสักแต่ว่ารู้นะครับแล้วก็ก็ไปฝึกตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าอตอนเนี้ยคือหลงหลงไปแล้วก็รู้เร็วขึ้นจากตะก่อนนี้มันหลงยาวตอนนี้มันก็ก็รู้สึกว่ารู้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็มันแต่มันยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมันเหมือนเราเรายังรู้เราไปมันยังรู้ไม่ชัดอะครับไม่แน่ใจว่ามันมันถูกะอย่างไรเรียกว่ารู้ไม่ชัดอะยังไงเรียกว่ารู้ไม่ชัดแล้วยังไงจะเอาชั ด, ชด หลายคนมาชอบบอกว่ามันรู้ไม่ชัดจะให้มันขอจะเอาให้มันชัดๆยังไงยังเรียกว่ารู้ไม่ชัดแล้วยังไงเรียกว่าชัดเดี๋ยวไม่ไมเข้าใจ ค, คือมันรู้แค่รู้ว่าเราไปรู้ว่าจิตเนี่ยมันคิดอะไรมันหลงไปอเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็แค่รู้มันแค่นั้นนะฮะแต่ว่าความรู้สึกของผมก็คือเหมือนกับมันยังไม่ชัดมันยังยังเห็นไม่ชัดไม่ไม่ชัดแจ้ ง, อ, งอะไรเงี้ยก็เลย เดี๋ยวชัดแจ้งมันเป็นไงเดี๋ยวจะอธิบายสิมันยังเห็นไม่ชัดแจ้งเป็นไงถ้าเห็นชัดแจ้งแล้วมันจะเป็นไงอาจจะไปหมายไว้ครับว่าชัดหรือมันต้องแบบเข้าใจแจ่มแจ้งอะไรอย่าเนี้ยครับหือเข้าใจแจ่มแจ้งมันเป็นในธรรมลมที่ถูกรู้ไม่เข้าใจก็เป็นธรรมลมที่ถูกรู้ธรรมชาติของทานลูงก็ได้แต่รู้เราไม่ใช่ว่าไปเข้าใจแจ่มแจ้งคือตัวเราเนี่ยเข้าใจ เข้าใจก็เป็นธรรมอารมณ์ที่ถูก <c oughs> รูก้ตัวเราไม่เข้าใจก็เป็นธรรมอารมณ์ที่ถูกรู้มันเป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์หรืออารมณ์ที่ถูกรู้ก็แค่รู้ธรรมชาติของรู้มันก็ได้แต่แค่รู้ธรรมชาติของรู้มันก็ได้แต่แค่รู้ะคือมันคือมันไม่มีการแบบปรุงใช่ไหมครับไมคือธรรมชาติรู้นมันมันก็ได้แต่รู้ไงธรรมชาติรู้มันก็ได้แต่รู้เนี่ <c oughs> มันก็เหมือนกับอย่างเงี้ยตาเห็นลงตาเนี่ยมองเห็นลงตาเฉย มันก็เห็นมันก็เห็นลมตาอยู่เนี่ยเวลาเห็นลมตาเนี่ยมันมันจะรู้สึกไหมว่าไปรู้สึกถึงตัวเราไหมไม่เออมันก็ได้แต่เห็นลมตาไปเลยมันจะมันไม่มันจะไม่กลับไปย้อนกลับไปอหาความรู้สึกที่ตัวเราว่าตัวเราเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นตัวเราเราจะต้องให้ชัดๆมันจะต้องรู้ไหมว่าเนี่ยเห็นลมตาก็เห็นไปเลยมันต้องชัดไหมอ่ะไม่ชัดก็ใส่แว่นก็อืม มันก็แค่นั้นเองอ่ะต้ไปอาชัดไม่ชัดอะไรก็เห็นก็คือเห็นกันนะแกแค่นี้แหละก็คือแค่รู้เฉยใช่ไหมนั่นธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเป็นคนแค่รู้นะคือธรรมชาติเนี่ยมันก็ได้แต่แค่แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่รู้แค่รู้รสแค่รู้สัมผัสแค่รู้ธรรมอารมณ์รู้ความรู้สึกเมื่อกิจอารมณ์มันธรรมชาติของรู้มันได้แค่รู้แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นในที่ที่ผมรู้อยู่แสดงว่าถูกแล้วใช่ไหมครับไอ้ที่รู้อ่ะถูกหรือไม่ถูกล่ะ ก็เราจะไปเอาเขนชัดๆ <kicking. S 2> ันก็ไม่ถูกเลยเพราะว่าธรรมชากิของรู้ไม่ได้แต่รู้ไงก็เนี่ยมันไม่มีชัดไม่ชัดแล้วกัเนี่ยรู้รู้งตากัรู้ได้ยินเสียงก็มันก็ได้ยินเสียงไปเลยเนี่ยได้ยินเสียงไปเนี่ยได้ยินแล้วต้องการให้ยินชัดๆไหมไม่เออก็มันทำไมเวลาเวลารู้ทำอารมณ์ทางใจนะประตูใจอ่ะมันประตูมันหกประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจแล้วทําไมประตูประตูใจต้องให้มันชัดๆเลย ประตูตาไม่เห็นบอกว่ามันชัดชัดเลยเร่งเร่งตาให้มันชัดัดประตูหูไม่เห็นบอกมันต้องเร่งหูให้ชัดชเลยอ่ะหึมม่นก็รู้แบบเดียวกานมันเป็นธรรมารมันมันเป็นปัจจัยอันหน้าภายนอกเหมือนกันนะลูกกูเป็นนิยมภายนอกเสียงกินรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมธรรมารมคือเวทนาสัญญาสังขานี่สามขันเนี่ยคือธรรมารมณ์ก็คือเวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆคือเป็นแล้วก็ สัญญาจำได้ไหมรู้สังขารคือความคิดปุงปุงคิดเนี่ยแล้วก็ส่งต่อวิญญาณสังารตัวต่อๆไปทํางานแล้วก็เนี่ยมันก็ทําเป็นทำมาลมก็ปรากฏอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับรูปเนี่ยปรากฏได้ตาเห็นตลอดเวลาเสียงก็ปรากฏให้หูได้ยินกินก็ปรากฏให้จมูกได้รู้ไอ้รถก็มาสัมผัสไอ้ดิ้นสิ่งที่มาสัมผัสกายตอนนี้เรามานั่งเนี่ยลมพัดเย็นสบายดิเนี่ยก็ไอ้สิ่งสัมผัสกายไม่ต้องชัดเจาะแต่เลยเนี่ยลมพัดเย็นสบายเลยเย็นไหมเนี่ยวันนี้ลมทะเลเย็นจีิจังเลยเย็นไหม เย็นครับเย็นแล้วต้องชัดไหยก็แค่รู้ครับอ้าวเขาแค่รู้เห็นไหมแล้วเนี่ยเวลามันมีเวทนาสัญญาตังขานอีกสามขันเรียกว่าธรรมอารมณ์มันก็เป็นนายจ้าาภายนอกเหมือนกันมันก็ได้แต่แค่รู้มันไม่ต้องชัดเชือะไรหรอกแล้วมันต้องการความเข้าใจไม่เข้าใจมันแค่รู้ก็คือปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปใช่ไหมหลวงตาเออเราแค่นี้แหละถ้าเราแค่รู้แล้วเก็นีลยถ้าเราแค่รู้แล้วมันมันมันมีกิเลสมีความทุกข์อะไรแม่เนี่ยปามองเห็นกันเนี่ยไม่มีครับ เออมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อะไรเลยแต่ถ้าอายตนาตั้งหกเนี่ยแค่รู้จริงๆตามธรรมชาติของเขาไม่ไม่ไปยึดอะไรไม่ไปยึดกันเนี่ยไม่มีทุกข์อะไรนะไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อะไรก็อยู่ชีวิตตรงนี้จะกว่าจะตายก็สิ้นกิเลสและความทุกข์เลยอรู้แล้วก็ปล่อยปล่อยวางรู้ละปล่อยวางไปเเออก็คือเนี่ยถ้าเราไม่ยึดก็ไม่ต้องวางอะไรก็ได้แต่แค่รู้ยึดถ้าไปยึดอะไรก็ต้องวางยึดอะไรให้ไปกิเลสและความทุกข์ก็ต้องวางแต่ไม่ยึดอะไรไปกิเลสและความทุกข์ก็ไม่ต้องวางก็แค่รู้ เนี่ยก็เหมือนเนี่ยเตามองเห็นกันเนี่ยเนี่ยในที่นี้เราก็มีผู้ต้องผู้หญิงผู้ชายทุกคนเนี่ยตาก็มองเห็นเนี่ยบางคนก็สวยมากเลยบางคนก็หล่อมากสมมติยังไงบางคนก็สวยมากบางคนก็หล่อมากเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นใครจะมีค่ามีความหมายต่อใจเลยมันก็ไม่มีกิเลสแล้วมีความทุกข์อะไรเลยเนี่ยเนี่ยเราไปยึดเขาก็ติเราไปยึดเขาก็เอาไปยึดเขาแล้วก็เลยทุกข์เลยเนี่ยมีกิเลสแล้วความทุกข์เลยไม่ยึดก็เป็นด้ทุกข์อะไรเราก็นั่งก็อยู่ทั้งวันทั้งคืนมันนั่งนั่งไว้ได้ มันมันไม่ยึดเนี่ยแต่ถ้าไปยึดก็ต้องวางนะเพราะเราไปยึดเขาไม่กินเลยและความทุกข์ก็ต้องวางวางความยึดเนี่ยวางความหลงยึดเขาครับเข้าใจแล้วครับแล้วตอนตาเกยทีไหม pavement, <rubbish. S 2> เวลาเวลาท่านเห็นเนี่ยเห็นก็คือเห็นไปเลยอได้ยินก็ได้ยินไปเลยแล้วก็เวลาประตูใจอ่ะมันประตูตาเนี่ยเห็นก็เห็นไปเลยประตูหูเนี่ยเวลาเวลาได้ยินก็ได้ินไปเลยประตูใจมันมันก็คือมันรู้ก็รู้ไปเลยอ่ะมีอาการมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ไปเลยอ่ะ แต่ลูประตูใจอ่ะมันทำไมไม่ไม่ไม่รู้เหมือนประตูตาประตูหูไปเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเลย <g ül> เวลาดูวละตามมองไปมองคนในในที่นี้ฮะท่านไปทำหรือเปล่าท่านทาแบบนี้แบบนเปล่าเวลามองคนในที่นี้เจอใครเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเขาคนจะได้ต่อย <g ül> <c oughs> มันก็ไม่มีใครทาอย่างเงี้ยมันก็แค่เห็นก็คือเห็นกันเนี่ยไม่ใช่ใครผ่านเข้ามาทีละคนนักใครเดินเขมาทีละคนละคนไปจ้องหน้าเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาแต่เวลาไปรู้ประตูใจมันไมเพ่งเอาเพ่งเอา เพ่งใจเป็นอะไรให้ได้แล้วก็เพ่งมันจะดับเพ่งปุ๊บดับปุ๊บเพ่งปุ๊บดับปุ๊บเจ้ามันดับให้ได้ก็เห็นทุกคนก็นั่งเห็นกันอยู่เนี่ยอะไรมันจะดับไปเข้าใจไหมล่ะเข้าใจครับเออ